ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ปฐมยาเมีเทศนารายการที่จะพาทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งจิตใจเพื่อความสงบ ก, ก่อนเข้านอนซึ่งรายการนี้ก็เป็นหลักๆเนี่ยอยากจะพาทุกท่านเนี่ยให้มานั่งสมาธิกันเพราะว่าการที่เราต้องกินอาหารเช้ากลางวันเย็นบางคนมีมื้อดึกด้วยซ้ำนะ ก็อันเนี้ยเป็นอาหารสำหรับร่างกายแต่จิตใจของคนเราเนี่ยมันก็ต้องการอาหารเหมือนกันอาหารจิตใจเนี่ยมันเป็นยังไงสำหรับท่านที่ยังไม่เคยปฏิบททัติธรรมไม่เคยทำความสงบใจก็อาจจะรู้สึกงงๆอาหารของใจเนี่ยใจมันมีหน้าที่ยังไงก่อนมันมีหน้าที่เกี่ยวกับอารมณ์มันมีหน้าที่ รับอารมณ์จำอารมณ์คิดอารมณ์รู้อารมณ์พูดง่ายก็คืออารมณ์นี่แหละที่มันเป็นอาหารของใจแล้วอารมณ์นี่มันมาจากทางไหนได้บ้างมันก็มาจากทางตาหูจมูกลิ้นกายความคิดนึกปรุงแต่งของเราเนี่แหละแล้วการที่เราอยู่ในระหว่างวันเนี่ยมันก็เนี่ยเข้ามาประเดีประดังเลย ทางตาทางหูจมูกลิ้นกายเนี่ยความคิดนึกด้วยประเดประเดังเข้ามาซึ่งเราก็รับมาเต็มๆเลยตลอดทั้งวันเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอารมณ์ที่มันทําให้จิตใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวท้อแท้หมดกําลังใจเศร้าหมองเหล่านี้แล้วก็อาจจะมีบ้างที่มันเป็นอารมณ์ที่ทําให้เรารู้สึกสดชื่นเบิกบานผ่องใส แต่อย่างน้อยๆเนี่ยมันก็จะมีสัด ส, ส่วนระหว่างของดีและของไม่ดีก็ได้ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่ว่าเราเนี่ยยังเลือกอาหารที่ดีให้กับร่างกายเราเลยว่า เ, ออเราจะกินอันนี้นะของอันนี้มีประโยชน์ของอันนี้ไม่มีประโยชน์ซึ่งมีประโยชน์กับชอบไม่ชอบก็คนละเรื่องกันแต่อย่างน้อยๆเนี่ยคงไม่มีใครเอาอาหารที่แบบบูดเน่ามากินนะ ว่าทุกคนเป็นอันครูกันว่ามันไม่ดีต่อร่างกายเราไม่เอาอาหารประเภทนั้นเนี่ยมากินแน่นอนแต่ใจเราเนี่ยก็มีทั้งสิ่งที่เป็นอาหารใจที่ใจชอบใจไม่ชอบมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ต่อใจเหมือนกันแล้วอาหารใจแบบไหนเนี่ยที่มันทําให้มีประโยชน์ต่อใจก็คือ พูดแล้วว่าเกี่ยวกับอารมณ์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่ใจมันกินอารมณ์ไปเนี่ยมันจะต้องไปปรับสภาพจิตใจให้มันเป็นจิตใจที่มีคุณภาพที่ดีก็คือเป็นจิตใจที่มีความสงบเป็นจิตใจที่มีความผ่องใสเป็นจิตใจที่มีความช่ำชื่นเบิกบานเหล่านี้อันนี้เป็นจิตใจที่มันเป็นคุณภาพดีแล้วอาหารใจยังไงแหละที่มันเป็นคุณภาพดีก็อยากจะนําเสนอ อาหารใจง่ายๆแล้วก็เป็นอาหารใจที่เราหาได้จากตัวเองก็อยากให้ย้อนไปถึงวันที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงเลิกบาเพ็ญทุกขกิริยาแล้วละ่ะก็มานึกถึงการบําเพ็ญเพียรทางใจนี่แหละพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ใช้อะไรพระพุทธองค์ก็อยู่กับลมหายใจพออยู่กับลมหายใจแล้วเนี่ยจิตใจก็มีความสงบเกิดขึ้น พอสงบแล้วเนี่ยก็ตั้งมั่นลงไปในความสงบนั้นด้วยใจก็มีความสงบมีความตั้งมั่นมีความเป็นกลางซึ่งมันเป็นคุณภาพใจที่ดีแหละมันไม่เศร้าหมองไม่ขุนมัวไม่หดหูปลดปลอดจากราคะโทสะโมหะเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราก็เอาอันนี้แหละมาใช้ก็ได้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่จะให้อาหารใจเนี่ย มันก็มีได้หลายอย่างอย่างบางคนอาจจะนึกถึงคุณพระพุทธพระธพระรมพระสงฆ์ก็ได้เหมือนกันเพราะนึกถึงคุณของพระพุทธนึกของคุณของพระธรรมนึกของคุณของพระสงฆ์แล้วเนี่ยเราก็มีความสงบอยู่ในใจเกิดขึ้นได้แล้วในขณะที่เราระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยใจเราก็ปราศจากโทสะปราศจากราคะปราศจาก โลภะเหล่านี้มันก็เป็นคุณภาพใจที่ดีพูดไปก็มาเข้าวิธีการเลยดีกว่าว่าเราจะทำความสงบให้มันเกิดขึ้นเนี่ยกับวิธีการดูลมหายใจทำยังไงพอพูดถึงลมหายใจแล้วทุกคนมีลมหายใจแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็แค่เอาความตั้งใจของเราเนี่ยมากําหนดดูรู้ลมหายใจว่า นี่นะลมหายใจเนี่ยมันกระทบจมูกเราต้นจมูกกลางจมูกปลายจมูกเนี่ยตรงไหนที่มันชัดแต่ก็ขอแนะนำไว้ก่อนว่าตรงดั้งจมูกเราเนี่ก็จะเป็นที่ที่เหมาะสมกับการที่เราจะมาสังเกตลมหายใจของเราเพราะว่ามันเป็นที่ที่ทั้งลมหยาบเ้ยลมละเอียดเล ย, เ, ยเราอยู่ตรงจุดนี้เนี่ยมันสังเกตได้ง่ายแล้วก็แต่อันเนี้ยเทคนิคของใครก็เทคนิคของมันนะ่ะ แต่ละท่านอาจจะมีเทคนิคที่ไม่เหมือนกันซึ่งมันไม่มีอะไรถูกอะไรผิดเพราะมันเหมือนเป็นวิธีการที่ถ้าเปรียบเทียบเหมือนขึ้นเขาอ่ะบางคนขึ้นเขาทางทิศตะวันตกก็ได้บางคนขึ้นเขาทางทิศตะ ว, วันออกก็ได้ก็ขึ้นไปบนยอดเขาเหมือนกันแต่ น, นี้ก็อยากจะมานําเสนอวิธีการหรือเทคนิคที่เราใช้นี่แหละว่าเราทำความสงบแบบนี้แล้วได้ผลก็อยากจะให้ ถ้าไม่ฟังเนี่ยได้ลองนําไปปรับใช้ดูว่าถ้ามันทำลองทําดูแล้วเนี่ยมันได้ผลกับจิตใจที่ดีก็ทําต่อไปทําให้มันละเอียดขึ้นทําให้มันเข้มข้นขึ้นทําให้มันชํานาญขึ้นแต่ถ้าเกิดยังรู้สึกว่าทําไปแล้วทําไปแล้วแล้วมันก็ยังไม่ได้ถูกกับจิตใจของเรายังรู้สึกแบบไม่มี ผลเกิดขึ้นที่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลองหาวิธีอื่นๆดูก็ได้นะเพราะฉะนั้นซึ่งการดูลมเนี่ยบางคนก็มีทั้งตามลมเข้าไปถึงออปอดถึงท้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เราก็อยากจะนำเสนอวิธีว่าไม่อันนี้เราไม่ตามลมนะเราจะให้เราสังเกตลมอยู่ที่ที่เดียวก็คือที่จมูกเรานี่แหละ สัมผัสของลมที่มันกระทบจมูกของเราตรงไหนชัดตรงไหนเราก็คอยเฝ้าสังเกตดูเอาไว้ซึ่งอย่างของเราเองเนี่ยเราก็เห็นว่าจริงๆปลายจมูกมันก็ชัดเหมือนกันแต่พอลองมาทาที่ตรงดั้งจมูกแล้วเนี่ยรู้สึกมันดีกว่าเวลาที่ลมมันละเอียดนะเราก็ละเอียดไปกับมันด้วยเพราะนั้นก็อย่างการที่ดูลมเนี่ยของเราเองเราไม่ตามลมนะ เหมือนกับยามเนี่แหละยามที่เฝ้าอยู่ที่ป้อมยามเนี่ยเวลาคนเข้าเวลาที่คนจะออกเราก็อยู่ที่ป้อมยามเหมือนกันเราก็รู้ว่าลมเข้ายังไงจากตรงนี้ลมออกยังไงจากตรงนี้เหมือนกันก็เหมือนยามที่คนจะเข้าคนจะออกก็รู้ได้ด้วยที่ป้อมยามนี่แหละแล้วก็ไม่ได้ตามคนเข้าไปไปยังไงแล้วจะออกจะออกไปไหนก็ไม่ได้ตาม แต่การที่เรามาเฝ้าสังเกตลมอย่างเงี้ยแน่นอนคือมันก็กินอารมณ์ของการหายใจเหมือนกันอารมณ์ของการหายใจเป็นยังไงมันก็เป็นอารมณ์แบบธรรมดาธรรมดานี่แหละมันไม่ได้รู้สึกสดชื่นเหมือนเราไปดูหนังที่ชอบไม่ได้สดชื่นเหมือนเราไปเจอสิ่งที่รักหรือว่าได้รู้ว่าเออวันนี้เรากาลังจะไปพักผ่อนไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็คนละแบบกันหรือ ไม่ใช่อารมณ์ที่แบบหดโหเศร้ามองหมดพลังอะไรไม่ใช่ก็เป็นอารมณ์กลางๆถ้าเปรียบเทียบสเกลเนี่ยศยถึงสิก็อยู่ที่0หรือศติดลบสิก็อยู่ที่ศู น, หศ น, ศนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นอยู่ตรงกลางศูนย์จริงๆแล้วเป็นอารมณ์ที่มันไม่เจือด้วยโทสะเป็นอารมณ์ที่ไม่ได้เจือด้วยโลภะ เป็นอารมณ์ที่ไม่ได้เจือด้วยราคาเหล่านี้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการปรับให้ใจของเราเนี่ยมาอยู่ที่กลางๆไม่มีความโกรธไม่มีความเกลียดไม่มีความชอบไม่มีความยินดีพอใจก็เป็นกลางๆอยู่อย่างนี้พอมันเป็นกลางๆอยู่อย่างนี้ได้เนี่ยเวลาเราทำให้มันอยู่ตรงนี้ได้อย่างต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องเนี่ย ใจเรามันก็จะมีอารมณ์อย่างเงี้ยสะเทียนอย่างนี้ไปเรื่อยๆซึ่งเพราะมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเราเรียกว่าตั้งมัน่นนะมันตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์นี้ได้นานเราก็จะเรียกชื่อมันว่าเป็นสมาธิเพราะนั้นการที่เราบอกฝึกสมาธิฝึกสมาธิเนี่ยจริงๆแล้วก็คือการที่เรามามีสติอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มั่นคง พออยู่กับมันอย่างมั่นคงตั้งมั่นลงไปแล้วเนี่ยผลที่ได้จากการที่มีสติอยู่ในเรื่องนั้นได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยก็เป็นสมาธิเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราอาจจะเรียกว่าฝึกสมาธิก็จะ ด, ดูลัดขั้นตอนไปสักนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียกว่ามาฝึกสติดีกว่าเรามีสติอยู่กับลมหายใจเรามาฝึกสติอยู่กับลมหายใจซึ่งชื่อทางการมันก็มีนะ เราก็เรียกว่าวิธีแบบอานาปานสติมีสติระลึกรู้ลมหายใจเข้าระลึกรู้ลมหายใจออกแต่สําคัญเนี่ยการที่เราดูไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะมีอาการคือว่ามันจะชินใช่มมันก็เห็นลมเข้าเห็นลมออกมันก็ชินนั่นแหละพอชินไปปึ๊บเนี่ยสิ่งที่โดยมากมันจะเป็นก็คือความใส่ใจของเราเนี่ย มันจะไปอยู่เรื่องอื่นละมันเห็นลมอยู่นะแต่ความสนใจความใส่ใจของเราเนี่ยมันไปอยู่เรื่องอื่นมันไม่ได้อยู่กับการที่เรามามีความตั้งใจที่จะมาเฝ้าสังเกตลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ใช่ละมันก็จะไปสนใจอย่างอื่นสนใจกับเรื่องอองานที่ค้างค้างอยู่บ้างแหละหรือไม่วันนี้เรามีเรื่องอะไรที่เราประทับใจมันก็แอบหนีไปหาเรื่องนั้น อยู่บ้างถ้าเราไม่ละเอียดละอเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเอ้ยเราก็มีลมอยู่แต่ความใส่ใจเนี่ยเราไม่ได้สังเกตไงบางทีว่าความใส่ใจของเราเนี่ยมันอยู่กับลมหรือเปล่าซึ่งถ้ามันไม่ได้อยู่กับลมเนี่ยเราก็เห็นลมอยู่นะแต่มันไม่ได้อยู่กับลมแล้วเนี่ยแล้วเราก็ไม่รู้ตัวว่าความใส่ใจของเรามันไม่ได้อยู่กับลมมันก็สักแต่ว่าลมดูลมดูลมไปมันก็ไม่ได้ทาให้การดูลมของเราอันเนี้ย มีประสิทธิภาพเท่ากับช่วงแรกที่ที่เรามีเพราะฉะนั้นพอไปเรื่อยๆในเนยในเ น, เ น, เ น, เนไปสักพักหนึ่งก็แน่นอนแหละก็จะรู้สึกว่าไอ้ความสบายที่เรามีเนี่ยมันก็จะเริ่มลดน้อยลงไปแล้วเราก็มารู้แหลอบางทีก็หลับปั่งแหละบางทีก็เผลอไปคิดฟุ้งซ่านสารตะไปแล้วมารู้ตัวอีกทีเอ้าเมื่อกี้เราคิดไปนู่นไปนี่ไปนั่นไปแล้วนี่ไม่ได้อยู่กับลมแล้วนี่แล้วเราก็ โอเคมันไปแล้วเราก็ดึงกลับมาใหม่ทีนี้ดึงกลับมาใหม่เนี่ยช่วงแรกมันก็ดึงกลับอย่างมีคุณภาพนั่นแหละคือดึงกลับมาพร้อมกับความตั้งใจที่เราโรารู้แล้วนี่ว่ามันเผลอใช่ไหมเราก็ดึงกลับมาพร้อมกับความตั้งใจที่มันลงไปที่ลมหายใจเหมือนเก่าแต่สักพักนึงเนี่ยความเคยชินมันก็เกิดขึ้นอีกแหละโดยเฉพาะาความสงบหรืออารมณ์สบายที่มันเกิดขึ้นจากการที่เรา ไม่ได้ไปใส่ใจเรื่องที่เราคิดไม่ได้ไปใส่ใจเรื่องที่เราเห็นเพราะเราอาจจะนั่งหลับตาก็ได้แล้วเราก็ไม่ได้ใส่ใจใส่ใจอยู่กับลมหายใจเนี่ยใจเราก็รู้สึกสบายขึ้นปลอดโปร่งขึ้นพอความสบายเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าใจเราก็มีความยินดีในความสบายความสงบที่มันเกิดขึ้นและนี่แหละมันก็จะดึงใจเราออกไปดึงใจเราออกไปที่ความสบายความสงบ ซึ่งมันเป็นมันก็พูดง่ายอ่ะมันก็เป็นเหตุอ่ะที่ล่อหลอกของเราอ่ะล่อหลอกเราออกจากการงานที่เรากําลังทําอยู่เพราะฉะนั้นไอ้ความสบายความสงบบางทีที่เรารู้สึกเอ้ทําไมมันน่าจะดีกว่านี้อีกทำไมมันไม่ดีขึ้นเพราะว่าเราหลุดออกจากการงานของเราแล้วใจเรามันไปอยู่กับความสบายเพราะมันอยู่กับความสบายมันไม่ได้อยู่กับการงานที่สร้างความสบายใช่ไหมอ่ะมันก็ใช้ความสบายไปเรื่อยๆใช้ไปเรื่อยๆจนมันหมดปุ๊บแล้วก็เอ้า เผลอไปคิดเรื่องนั้นแล้วเผลอไปคิดเรื่องนี้แล้วแล้วก็ดึงกลับมาใหม่อีกเพราะฉะนั้นคนที่ทําความสงบได้ดีเนี่ยเขาก็จะอยู่กับลมได้อย่างตั้งใจอย่างต่อเนื่องโดยไม่ไม่แบ่งความสนใจเนี่ยของเราเนี่ยไปไปไว้กับสิ่งไหนไหนที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นเกิดขึ้นเป็นความคิดไม่ว่าจะเป็น เกี่ยวกับทางร่างกายอาจจะปวดนั่นปวดนี่เริ่มเมื่อยเป็นต้นเนี่ยนะมันก็จะเป็นสิ่งที่มันจะมาดึงใจเราออกไปคอยดึงใจเราออกไปจากลมหายใจเพราะฉะนั้นเราเท่าทันพวกนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ใส่ใจมันพอไม่ใส่ใจมันเราก็ดึงกลับมาไว้ที่ลมหายใจเหมือนเดิมคอยประคองประคองอยู่อย่างนี้แหละพอเราอยู่กับลมหายใจได้อย่างต่อเนื่องปุ๊บเราก็คอยระมัดระวังว่าใจเราเนี่ยมันต้องไม่ไปนอนแช่ในอารมณ์ ความสบายที่เกิดขึ้นเพราะว่าการที่เราไปแช่ในความสบายเนี่ยแน่นอนความใส่ใจเรามันประโยชน์กับความสบายความสงบแล้วนะมันไม่ได้อยู่กับลมหายใจละเพราะฉะนั้นการที่ความสบายเกิดขึ้นแล้วเราก็เพลินไปกับความสบายเนี่ยมันก็หลุดออกจากเหตุของความดีของการงานที่เรากําลังทําเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อยากจะให้คนที่ฝึกหัดเนี่ยคอยระมัดระวังตรงนี้ด้วย เพราะใจที่มันสบายถามว่ามันดีไหมดีใจที่มันไปนอนแช่ในความสบายมันดีไหมมันก็คือการได้พักผ่อนแต่การถ้าเราอยากจะไปต่อมีความก้าวหน้าทางจิตใจให้มันมากขึ้นเนี่ยเราแช่ในความสงบสบายได้แต่เราก็ต้องดึงมันออกมาได้ด้วยนะมาอยู่กับกําลังสติที่มีกําลังสติที่อยู่กับลมหายใจที่มีสติอยู่เฉพาะหน้ากับลมหายใจให้ได้เพราะสิ่งที่เราอยากได้ นอกจากความสงบแล้วเนี่ยก็คือกำลังสตินี่แหละเพราะอะไรเพราะการที่เรามีกำลังสติที่ดีคือการรู้เท่าทันจิตใจของเรามันจะรวดเร็วว่องไวแล้วก็เกิดได้บ่อยแต่ถ้าคนที่กำลังสติไม่ดีเนี่ยหมายถึงว่าสติที่มันเป็นไปเพื่อความสงบนะไม่ใช่วาสติทั่วไปพอมันเกิดได้ไม่ดีเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเราก็เผลอไปคิดนู่ น, นบางทีเราโอโ้คิดไปเยอะละ คิดเป็นอานแล้วแล้วถึงจะรู้ตัวทีหนึ่งว่าอ๋อมันเผลอไปแล้วแต่การที่เราฝึกให้มันกลับมาได้บ่อยๆรู้ว่าใจมันหลงไปกับเรื่องนั้นแล้วเราก็เบรกมันหยุดมันด้วยกําลังสติของเราเพราะกำลังสติเรามากเนี่ยเราก็จะอยู่กับเรื่องนี้ไม่ไปอยู่กับเรื่องอื่นแล้วเราก็จะพูดง่ายๆ่าการที่เราไปอยู่กับเรื่องอื่นเนี่ยก็คือใจมันเผลอเผลอจาก การงานที่เรากำลังทำแล้วก็วิ่งออกไปสิ่งที่มันชอบสิ่งที่มันกังวลอยู่ด้วยแต่การที่เรามีกำลังสติที่มันดีคือการที่เรารู้เท่าทันมันรู้เท่าทันได้อย่างทันท่วงทีถึงมันออกไปแล้วก็ไม่ได้ออกไปนานไม่ได้ออกไปไกลล้วก็ดึงกลับมันมานี่แหละของผลของการที่เราฝึกสติได้อย่างดีการที่เราเป็นผู้ที่มีกาลังสติดีอย่างนี้เนี่ยศักยภาพของใจมันจะเปลี่ยนไป เปลี่ยนไปเราจะเป็นผู้ที่ขึ้นชื่อเลว่าเป็นผู้ที่รู้เท่าทันใจได้ดีขึ้นฉับไวขึ้นแล้วเราก็จะมีพัฒนาการทางจิตใจมากขึ้นเพราะอะไรเพราะกันที่ใจของเราเนี่ยมันไปอยู่ในเรื่องไหนเรารู้เท่าทันได้ดีเนี่ยเวลาที่มันไปอยู่ในเรื่องที่จะ ถ้าไม่เกิดทุกข์เกิดโทษต่อจิตใจเนี่ยเราก็จะได้เบรกมันทันหรือมันเผลอไปแล้วเราเดึงกลับมาได้อย่างรเวเร็แต่ถ้าเราช้าสติเราเกิดขึ้นช้าแน่นอนมันก็เหมือนกับอารมณ์เสียเนี่ยมันก็จะเหมือนเปรียบเทียบเหมือนต้นไม้เนี่ยมันก็จะค่อยๆโตจากต้นกล้าต้นอ่อนโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้ น, นสําหรับบุคคลที่ ไม่ค่อยได้ฝึกเนี่ยมันอาจจะเป็นต้นใหญ่ไปแล้วก็ได้แล้วค่อยมารู้สึกตัวว่าโอยชีวิตฉันทำไมมันหนักชีวิตฉันทำไมมันแย่อย่างนี้แล้วเราจะแก้ไขปัญหายัางไงแต่การที่มันจะเป็นปัญหาหนักๆปัญหาใหญ่ๆเนี่ยจริงๆมันก็ถ้าเราทบทวนให้ดีเนี่ยมันมาจากปัญหาเล็กๆทั้งนั้นแหละทีนี้การที่เราจะแก้ปัญหาได้ดีเราก็ไม่เหนื่อยกับการแก้ปัญหาเนี่ยเราต้อง ไม่ต้องไปแก้ตอนที่มันใหญ่เหมือนเราจะถอนต้นไม้อะต้นใหญ่อ่ะมันเปลืองกำลังใช่ไหมแต่การที่เราถอนมันตั้งแต่ต้นน้อยๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องเปลืองแรงแต่การที่ถอนต้นใหญ่เนี่ยรากมันก็แข็งแรงต้นมันก็ใหญ่หนักเราก็ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่มันเหมาะสมกับงานนั่นแหละเพราะนั้นแรงก็ต้องใช้มากกำลังความเปลียนก็ต้องมีมากมันก็ต้องเหนื่อยเป็นธรรมดา ในถ้าเปรียบ เ, เทียบกับตอนที่มันเป็นต้นน้อ ย, อยต้นอ่อนเนี่ยล้วก็ไม่ต้องเปลึงแรงมากดึงออกตึบต๊บตึบง่ายไม่ต้องพึ่งคนอื่นมาช่วยด้วยทำคนเดียวก็ได้เพราะฉะนั้นก็อยากจะเชี้เห็นถึงว่าการที่เรามาฝึกเนี่ยไม่ได้ฝึกเพื่อเอาแต่ความสงบสบายอย่างเดียวความสงบสบายเนี่ยมันเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งอ่ะที่จะมาอุปกรณ์หนึ่งอ่ะที่จะมาช่วย พัฒนาจิตใจของเราแต่ไม่ใช่ทั้งหมดที่เราอยากจะได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลตัวสําคัญที่เราอยากจะได้คือสติต่างหากสติที่รู้เท่าทันจิตใจรู้เท่าทันว่าใจของเรามันไปเรื่องไหนแล้วเรื่องดีไหมหรือว่าเรื่องไม่ดีหรือให้มันละเอียดขึ้นไปอีกเนี่ยรู้ว่ามันไปเรื่องที่ยึดกับอะไรอยู่ ข้องกับเรื่องอะไรอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราทันเรื่องพวกนี้ได้เนี่ยเราก็จะบริหารจิตใจของเราบริหารความคิดความเข็นของเราบริหารปัญหาของเราได้ดีขึ้นแล้วเราก็จะขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความสงบระงับทางด้านจิตใจได้ดีขึ้นพร้อมกับเป็นผู้ที่มีความทุกข์ในชีวิตที่มันลดน้อยลงที่ดีขึ้น สําหรับวันนี้ก็คงจะพอเท่านี้ก่อนแล้วคราวหน้านั่งแล้วอาการของการนั่งมันจะเป็นยังไงเราควรจะบริหารจัดการมันยังไงถ้าเกิดว่าเราดูลมอย่างเดียวแล้วแล้วมันมีน้นนี้แทรกเข้ามาเนี่ยจะทํำยังไงแต่คราวหน้าเราค่อยมาว่ากันสําหรับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อน